ก่อนที่ท่านจะหนีออกจากเวียงวังในคืนนั้นท่านมองดูเวียงวังท่านก็บอกว่าเราจะไม่กลับมาอีกโดยเด็ดขาดเมื่อเราไปแล้วอันนี้คือความในใจของพระองค์ท่านจากนั้นเมื่อท่านได้รับสุบินนิมิตในคืนที่จะตัดสรูธรรมจากนั้นท่านก็ลอยถาดขึ้นไปข้างเหนือน้า จากนั้นท่านก็มั่นใจว่ามรรคผลนิพพานท่านจะได้บรรลุและตัดสรุธธรรมในวันนี้วันเดือนหกเพนนายโสธิยะนำยาคามาถวายแปดกำมือจากนั้นก็ถวายท่านท่านก็มาเดินดูโคลนต้นโพจากนั้นท่านก็เกลี่ย้าคาลงไปในโคลนต้นโพท่านก็ขึ้นเป็นนั่งเป็นอาสนะคือนั่งเป็นบรรลังเป็นอาสนะของท่านผินพระพักไปทางทิศเหนือ เมื่อนั่งขัดสมาธิแล้วท่านก็นตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตัดรู้ในวันนี้เนื้อหนังเอ็นกระดูกจะล้มหายตายจากผุพังไปยังไงก็ตามเราจะไม่ลุกโดยเด็ดขาดอันนี้ ค, คือความเด็ดขาดของพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันเข้ากันได้กับที่องค์หลวงตาพูดว่าก่อนที่จะตัดกิเลสภายในจิตใจได้นั้น ความตายนอยู่เบื้องหลังเเข้ากันได้กับติองหลวงตาพูดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่จะยินได้ฟังนี้ถึงจะไม่เอาทั้งหมดก็เอาสักเสี่ยวหนึ่งคือนั่งให้พอสมควรเดินให้พอสมควรให้มากจนสุดความสามารถหรือว่าอดทนจนสุดความอดทนอไม่ใช่ว่าทำ พอหลบลบปลีกเลี่ยงเลี่ยงแล้วก็หวังมักฝังผลคงจะไม่ถูกต้องถ้าเปรียบเทียบกับทำคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพุทธประวัติแล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติจากครูบาอาจารย์แล้วก็พยายาม ตั้งอกตั้งใจเอาจริงจังนะาว่าเราไม่จริงจังเราก็จะไม่พบของจริงพบแต่ของเหลอกแหละจากนั้นก็ทวงการทำบุญการทำสมาธิทวักการสร้างคุณงามความดีเราทวงแต่ผลแต่เหตุของเราไม่พร้อมเหตุของเราทำหลอาๆเลแหละ จากนั้นเราก็ทวงผลว่าทำไมจิตใจของเราจึงไม่สงบจึงไม่แน่วแน่จึงไม่มั่นคงมันจึงวันไหวไกวแกว่กวงกิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาเยียบย่ำใจของเรามาตลอดทำไมเราก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกับแนวทางของ ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาก่อนนั้นพวกเรายังห่างอยู่ใช่ไหมก็พยายามดูตัวเองท่นี่ถ้าพยายามดูตัวเองถ้าห่างเราก็พยายามทําให้ถี่ขึ้นพยายามทํากําหนดจิตกําหนดใจกําหนดสติสติสัมปชัญญะตัวนี้ให้ถี่ขึ้นให้ดูใจของตัวเองให้มากขึ้นเราก็ให้พิจารณาถึง อสุภะปฏิโกณพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงร่างกายของตนเอง เ, อเรานอนก็เหมือนกับนอนตายอย่างนั้นถ้าคนหมดลมหายใจเขาเหมือนตายาถ้าเรานั่งเนี่ยเหมือนกับโครงกระดูกเป็นโครงนั่งให้เราเห็นถ้าเรายืนถ้าเราเดินก็เป็นโครงกระดูกพาเดินเพราะกระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายเราก็เห็นอยู่จันั้น เราประพิารณาด้วยจิตใจของเราอีกว่าถึงร่างกายจะอยู่อย่างนี้ไปก็เถอะแต่ไม่รู้จะวันไหนละ่ะต่อไปภายภาคหน้า เ, นเพราะมันแก่ไปทุกวันทุกวันความเจ็บก็ไม่รู้อะไรจะเจ็บขึ้นมามากมายสิ่งที่มันจะเจ็บปวดแล้วก็พร้อมที่จะตายได้พร้อมที่จะใจขาดได้ในที่สุดเพราะนั้นชีวิตทั้งชีวิตของเรา เราพิจารณาดูให้ดีนะอันนั้นคือสอนใจตัวเองนะอย่าไปสอนคนอื่นสอนใจของตนเองคือใจสอนใจจิตสอนจิตแล้งั้นผู้รู้สอนผู้รู้งั้นนะบอกตนเองหใจดูให้ดีนะร่างกายในถึงยังไงก็เถอะจะทะนุถนอมกอมเกลาพาลับพานอน พาขับพาถ่ายพาอยู่พากินบํารุงบําเรอขนาดไหนก็เถอนะร่างกายที่อยู่ด้วยกันกับใจเนี่ยนะมันจะต้องแก่ไปเรื่อยๆนะให้ใจคิดไว้อยู่ในใจเสมอนะผลที่สุดตายนะใจนะร่างกายในใตายนะแตกนะสู่ดินน้ําลมไฟนะเห็นมามากต่อมากแล้วนะเกิดมาหมื่นเป็นตายหมื่นเป็เป็นแสนตายแสนเกิดเป็นล้านตายล้านนะ พวกรุ่นเกาตายไม่รู้ว่ากี่รุ่นแต่เราเกิดขึ้นมานี่เราก็จะต้องตายเหมือนกับคนที่เขาตายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะอย่าลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปนะใจนะนี่แหละให้พยายามสอนจิตสอนใจของตนเองถ้าว่าเห็นว่าโลกทั้งโลกร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวข้องกับตัวของเราถึงจะใครจะยกย่องเชิดชูชนะเสริญ ให้ดิบให้ดีกับเราขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งเราก็รับไม่ได้แล้วในสิ่งเหล่านั้นเราก็ไปตามลําพังของเราเผลที่สุดก็นะ่ะเอาขึ้นไปเมร์เอาขึ้นไปเผาศพเอาไปฝังดินผลที่สุดก็มีแค่นั้นสําหรับร่างกายของเรากับผู้อยู่เบื้องหลังที่เป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหา ก็เอาไปผาเผาไปทิ้งอย่างนั้นล่ะแล้วเราล่ะที่เป็นวิญญาณออกจากร่างะจะไปไหนนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดให้จงหนะักคิดทบทวนให้ดีจากนั้นก็ลงมือเดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีช่องทางมีแนวทาง ที่จะหลีกลี้ออกจากความแก่เจ็บตายนะั้นมีเราไปค้นคว้าดูแล้วเราไปศึกษาแล้วไปค้นคว้าอยู่ในป่าถึงหกปีเราไม่ได้ค้นคว้าอย่างอื่นเราค้นคว้าเรื่องความแก่เจ็บตายนี่แหละเรากลัวอย่างมากมากคนเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายจากนั้นเราจึงลํำลึกถึงว่าเมื่อเราเป็นฆราวาสสวย ร, ราชสมบัติอยู่หอประส า, าเป็นกษัตริย์ มีครบทุกอย่างกา ม, มคุณห้ารูปเสียงกินรสสัมผัสแต่ว่าแก่เจ็บตายคอยเราอยู่เราหาความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ได้เพราะว่าปู่ย่าตายายก็ท่านก็ร่วงรับรับขันโร่งโรยไปเราก็คงจะตามลําดับท่านเหล่านั้นลงมาเพราะนั้นเราจะหาความผาสุกเย็นใจ นอนใจได้ยังไงนี่ลหละท่านกลัวมากถ้าจะวาดไปแล้วเพราะพุทธเจ้ากลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายท่านจึงออกไปค้นคว้าหาวิธีการจะทำยังไงนันท่านไปศึกษาไปค้นคว้าจึงเห็นหนทางเห็นหนทางที่จะหลีกหลีหนีออกจากมารณะเกิดแก่เจ็บตายนี้ จนถึงที่สุดรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารเป็นอนันตการพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อท่านได้ตัดสู้ทำแล้วท่านว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเราได้ตัดสู้แล้วเรารู้แล้วอ่ะการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นมาอย่างไร เราได้ค้นคว้าแล้วเรารู้จริงเห็นจริงแล้วเราปล่อยวางแล้วเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราถึงแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านแนะนำเป็นผู้แนะนำเป็นผู้สอนเป็นผู้เขียนแผนที่หรือว่าให้ทำคำสั่งสอนแก่พวกเรา แต่พวกเราควรจะศึกษาทีนี้ศึกษาในเมื่อศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ได้พบได้เจอแล้วนั้นอันดับแรกท่านสอนยังไงท่านบอกยังไงในวันเดือนหกเพนท่านก็ว่านั่งขัดสมาธิอย่างที่ว่านะขาขวาทับขาซ้ายที่บันลังที่ว่าเหนือหนังเอ็นกระดูกจะผุพังไปยังไงก็ตาม เราจะไม่ลุกจากอาสนะนี้โดยเด็ดขาดนะให้ข้อสัจจะอธิษฐานในใจของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็นั่งจนได้สำเร็จฌานสำเร็จมักสำเร็จผลในวันเดือนหกเพนนั้นนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่สุดท้ายภายหลังให้เรา ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองในทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติดูกายใจของตนเองสรุปแล้วทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้นั้น 84,000 ี่พันพระธรร ม, มขันธ์ถ้าย่นย่อลงมาแล้วก็มีแตกายกับใจมีศีลสมาธิปัญญา ศีล ค, ค, คือความประพฤติของกายวาจาไม่ออกนอกรูกนอกทางสมาธิก็คือพยายามทําจิตใจให้สงบไม่ให้ปุงฟุ้งซ่านปัญญาก็คลี่คลายด้วยหลักเหตุผลในการเป็นอยู่ของเราทั้งกายทั้งวาจาและกตลอดถึงแนวความคิดของเราแนวความคิดของเรามันก็คิดออกนอกรูนอกทางปุงฟุ้งซ่านมันคิดไปเพื่ออะไร น่ปัญญาต้องใช้ให้คิดในทางที่ถูกต้องให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราให้เห็นจิตใจของตนเองมันปุุงปุ้งไปเพราะอะไรอันไหนเป็นผู้พามันฟุ้งไปกิเลสกามร า, าคะใช่ไหมความโทษจะความไม่พอใจใช่ไหมที่มันผลักดันจิตใจของเราออก ปงฟุ้งไปทางนั้นเฮ้สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ปัญญาถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วจะไม่เกิดปัญญาถ้าปัญญากับปัญญาแบบไม่ใช่ปัญญาสมาธิธิแต่ถ้าว่าใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าตามแนวแถวของพุทธะแล้วเดินขึ้นมาตั้งแต่ศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญา ใช้หลักธรรมของพระพุทธองค์มาคขควรทบทวนดูตนเองแล้วนั่นแหละจะรู้ได้ดูแจ้งเห็นจริงในใจของพวกเราสรุปแล้วก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับใจของเราทั้งนั้นถ้าพูดให้อันเป็นอันเดียวออถ้ายว่ากายก็ใช่ในร่างกายของเราก็นั่งด้วยกันอยู่เนี่ยแต่ใจมันมองไม่เห็นแต่จะว่ากายกับใจก็ถูก พอเรามองเห็นกายกันถ้าจะว่าจริงจังลงไปแล้วมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดนั่นล่ะดูที่อยู่ที่วิญญาณและอยู่ที่จิตนั่นแะอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจอยู่ที่ผู้รู้อยู่ที่นามธรรมกิเลสไม่อยู่ที่อื่นนั่นหละทำความเข้าใจก็คือทำความเข้าใจในจิตในผู้รู้ในนามธรรมของตัวเองนั่นแ่ะปล่อยวางก็ปล่อยวางลงจุดนั้น รู้แจ้งเห็นจริงก็รู้แจ้งเห็นจริงในจุดนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในจุดนั้นไม่รู้จะยึดมั่นถือมั่นไปเพื่ออะไรเพราะมันดูแล้วมันมีแต่อันนี้จางทุกขังอนัตตาถ้ายึดขึ้นมาก็มีแต่ทุกข์ทางนั้นเพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาด้วยวมีสมาธิมีปัญญามีสติสมาธิปัญญา จ่อเข้ามาจุดนี้แล้วเราจะรู้จริงเห็นจริงจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจนิพพิธาเบื่อหน่ายคลายนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายมันเห็นอยู่อย่างนั้นจนจำเ จ, จเไม่รู้จะจนล่ารีล่ำลายจนไม่รู้เท่าไหร่ถ้าเราไม่มีสติมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อเรามีสติจ่อเข้าไปแล้วมันเห็นออกมาแล้ว มันน่าเบื่อมันมีแต่เรื่องเก่าสลับซับซ้อนอยู่อย่างนั้นนนิพิธาคือความเบื่อเบื่อที่ความนึกคิดเบื่อที่ใจเบื่อที่ตัวสังขารตัวสัญญาตัวสังขารมันปรุงฟุ้งออกไปนั่นตัวนี่แหละตัวกิเลสราคะโทสะโมหะมันไม่อยู่ที่อื่นอยู่ในใจมีแต่เศร้าหมองแล้วก็ผ่องไสเศร้าหมองคื อ, คอมันมืดแล้วก็สว่าง ผ่องใสคือความยินดีเศร้าหมองก็คือความไม่พอใจความไม่พอใจความเสียใจแล้วก็ดีใจดีใจเสียใจดีใจเสียใจมืดดำมืดสว่างมืดสว่างอยู่ในจิตในใจถ้าเรามีสติอย่างเข้มแข็งเข้มงวดแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวองเราเองจากนั้นก็เร า, เราก็นี่แหละหาวิธีการที่จะ ปล่อยวางที่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะการเดินจงกลมขาขวาพุทธขาซ้ายโทการนั่งภาวนาลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่าให้จิตใจออกปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกให้อยู่กับกรรมฐานที่กําหนดเอาไว้อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านนั่งขัดสมาธิท่านกําหนดลมหายใจเข้าออกท่านไม่ให้จิตใจของพระองค์ไปที่อื่น จนจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบนี่แหละอันนี้เราก็ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินนั่นแหละถูกต้องแล้วที่ท่านพาดำเนินอย่างนั้นเราจะจริงจังหรือไม่อันนี้พวกเราทำอะไรพอรอๆละแหละไม่จริงจังจากนั้นก็ะทวงผลเหตุของเราทำไม่เต็มที่แล้วเรามาทวงผลผลมันออกมาได้ยังไงเมื่อเหตุมันขาดตัวบกพร่องอยู่แล้ว มันผลมันก็ออกมาแบบกระท่อนกระแท่นผุผุเสียเสียหายหายไปอย่างนั้นผลมันออกมาผลออกมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพราะะนันพวกเราทุกๆท่านนะที่มาประพฤติปฏิบัติทำรรนะเชื่อมั่นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาท่านเป็นผู้ว่างงานใจของท่านไม่มีอะไรท่านอยู่ในปัจจุบัน จะอยู่หรือจะตายท่านไม่วิตกกังวล ม, มันถึงข่าวมันก็ต้องไปตามการนั้นไม่ทุกข์กับมันท่านอยู่ในปัจจุบันในเมื่ออ ย, อยู่แล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้แก่โลกเพอเราอยู่อยู่กับโลกทำคุณประโยชน์ให้แก่โลกท่านก็ทำจริงๆ แต่ละวีดแต่ละวันท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์ถ้าเราได้ไปอยู่ใกล้และถ้าเราได้ศึกษาแล้วท่านสงเคราะห์โลกจริงๆไปโรงพยาบาลช่วยคนเจ็บคนไข้ช่วยจะตุปใจที่ท่านได้มาคําว่าห่วงแหนสําหรับเอาไว้ใช้เป็นส่วนองค์ท่านนั้นเกือบจะว่าไม่มีเพราะเหตุไรเพราะท่านไม่รู้จะใช้อะไรเขาถวายสิ่งของมาท่านก็เป็นผู้สันโดษอยู่แล้ว ใช้น้อยอยู่แล้วมักน้อยสันโดษอยู่แล้วกินน้อยใช้น้อยอยู่แล้วจากนั้นท่านได้มาก็มีแต่แบ่งปันไว้ในพระพุทธศาสนาวัดวาศาสนาจากนั้นก็ปวงประชาส่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงร่าโรงเรียนโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์ที่ด้านได้แอตเลเลาบมาท่านก็เป็นผู้มีบุญถ้าจะว่าไปแล้ว อันสงของท่านในอดีตชาติท่านคงทามาอย่างเต็มเปี่ยมบุญกุศลขององค์หลวงตาเพราะนั้นเกิดในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านบุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมมาได้ทาสั่งสมคุณงามความดีมา เ, ออเท่าไหร่มันก่อนหลังไหลพลูออกมาที่นี่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น จะไปอยู่นสถานที่ใดที่ใดมีแต่คนอยากจะทำบุญออถวายท่านตรงกันข้ามกับบางคนมิแต่อยากอยากอยากก็ไม่มีใครมองไม่ใครดูไม่มีใครเหลียวแลแต่องหลวงตาในท่านออท่านไม่อยากออบางทีท่านจึงดุให้อีกถ้ามาไม่ถูกไวลัเวลาแต่คนก็อยากจะเข้าไปทำบุญพอทำบุญเข้าไปแล้วสบายใจเย็นใจ แล้วก็งอกเงยอีก เ, เมื่อเราทําบุญไปแล้วบุญกุศลที่เราได้ทําไปแล้วมันรู้แก่ใจของใครของเราทุกคู่ทุกคนเพราะนั้นทําทไปแล้วรู้สึกว่าไม่เสียไม่หายมีแต่เจริญงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆใครๆก็อยากจะทําเหมือนกับปลูกข้าวลงในเนื้อนาที่ดีอย่างนั้นอนะ่ะพอวันพืชลงไปก็หวังผลได้เพราะไม่ท่วมไม่แรงที่ดินก็ดีอากาศก็พอดี เวลาออกด อ, อกออกผลมาก็รวงข้าวสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เสียไม่หายนี่แหละการทาบุญกับท่านผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นอย่งงางนั้นเพราะนั้นคนทั้งหลายจึงทําบุญกับองค์หลวงตาท่านก็ทรงเคาะอนุเคาะต่อมวลมนุษยชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นจะมีที่ไหนที่ท่านทรงเคาะทองคาตันที่สบสองนะ ตันนก็คือพันกิโลนะอันนี้สิบสองตันยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งยังไม่ถึงสิบสองตันจากนั้นท่านก็ยังสร้างโรงพยาบาลอีกรับเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลอีกต่างหากอันนี้ก็งบอีกประมาณสองรกว่าล้านทางคิดเอาอุปกรณ์เครื่องมือเข้าไปให้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่นี้ก็ยังไม่ได้ตกลงกันเป็นกิจจาลักษณะมิตรประมาณการคิดกัน คิดกันแบบข้าวๆที่ได้วางแผนเอาไว้เนี่ยวันที่สิบแปดมกราห้าสองเนี่ยเป็นวันวางศิลาเลิกจากนั้นก็คงจะเซ็นสัญญากันสร้างโรงพยาบาลเนี่ยถ้าจะว่าไปน่คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ของหลวงตานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็คืออย่างที่สงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างพวกเราท่านเห็นทางธรรมก็คือธรรมเทศนา ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราป mm hmm. ระวัติการฟังเทศของหลวงตาเนี่ยตามไม่จริงหลวงพ่อเองไม่อยากจะให้ฟังทั้งคืนนะถ้าฟังทั้งคืนมันเบอรออ์ถ้าว่าตั้งใจฟังสักกันหนึ่ง เ, เปิดฟิทยุในสถานีของเราเนี่ยแหละร้อยเจ็ดจุดสองห้านี่แหละนั่งขัดสมาธิดีๆแล้วก็นั่งฟังแล้วก็เปิดสักกันหนึ่งให้ตั้งใจฟังพอฟังเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็นั่งภาวนาต่อ แล้วก็ตอนสว่างด้วยว่ามีน ะ, ะเปิดฟังนีสักกันหนึ่งแล้วก็ปิดแล้วก็นั่งภาวนาต่ อ, เ, อ, อเพราะว่าผมเองเข้าไปศึกษาที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนาที่มากมายหนึ่งนี่แหละท่านอบรมพระที่ผมก็ไปก็ได้ฟังอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายฟังทุกวันนี่แหละไม่แพ้กันเขาก็อัดมาตั้งแต่สมัยนู้นล่ะที่เอามา เปิดให้พวกเราได้ทั้งหลายได้ยินได้ฟังแต่พวกเราที่ได้ยินได้ฟังแล้วนั่นแหะจะนํามาประพุทธปฏิบัติตนยังไงถ้าฟังแล้วแบบไม่สนใจฟังทะลุซ้ายหูทะลุทะลุหูขวาอฟังแล้วก็นอนฟังคุยกันฟังนอนฟังไม่ได้สนใจต่อไปมันก็นดื้อด้านจิตใจมันด้านแต่เนี่ยเป็นเหล็กก้นเตา่เาจะเป็นมีดก็ไม่เป็นจะเป็นขวานก็ไม่เป็น จะเป็นพลาก็ไม่เป็นจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นผลที่สุดจะเป็นไม้ภายเจียบปูนใส่เขี้ยวหมากก็ไม่ได้ผลที่สุดก็โยนทิ้งเหล็กไม่เป็นท่าเหล็กก้นเตาเพราะเหตุไรเพราะมันไม่ได้ใส่ใจเพราะนั้นเราควรจะเป็นเหล็กประเภทไหนเป็นเหล็กน้ำพีฟังอแล้วก็ให้ใส่ใจแล้วก็นามาประพุทธปฏิบัติปรับปรุง กายใจของตนเองนั่นแะจะเกิดประโยชน์อย่างมากถ้าพวกเราฟังด้วยความตั้งใจสนใจที่บาลีขึ้นมาสุสังรัตเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา น, ะนี่แหละที่ผมเองเข้าไปศึกษาและเข้าไปฟังเทศขององค์หลวงตาสิบกว่านปะีนี่แหละที่ท่านอบรมพระกลางคืนเนี่ยนะให้ฟังถ้าพวกเราฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจแล้ว พวกเราจะเกิดสติจะเกิดปัญญาเจ้าเกิดอุตสาหะวิทยะจะเกิดวิธีการจะดําเนินชีวิตของพระของเราเป็นยังไงชีวิตทางด้านจิตใจของเราจะดําเนินยังไงจะปฏิบัติยังไงสมาธิจะเป็นยังไงปัญญาเดินยังไงมีอยู่ในนั้นเสร็จถ้าพวกเราสนใจนะถ้าพวกเราไม่สนใจก็อย่างว่านะี่อยู่ที่ไหนคือซื้อบือ้อซื้อบื้ออย่างนั้นอยู่ใกล้ ธรรมเทศนาวิทยุกไปหาเปิดนู่นหาเปิดสิ่งม่ไม่เป็นเรื่องพูดนะอย่างในที่จะเป็นนรกอเวจีไปเปิดอย่างนั้นอนะ่ะจิตใจกยิ่งเศร้าหมองเป็นนรกอเวจีเป็นใกล้กับหมู่เทวทัตเข้าไปเรื่อยๆเมื่อก้น่ะเพราะนั้ น, พ, น, นพวกเราฟังนะที่พูดเนี่ยคือแนะ น, นำให้ฟังฟังถ้าพวกเราฟังแล้วจะเกิดประโยชน์จะนำมาแก้ไขกิเลสภายในจิตใจของเราได้ ผมมั่นใจเหลือเกินที่ได้ฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบายจานแล้วมีแต่เป็นนิยานิกระทามทั้งนั้นที่จะนำจิตใจของพวกเราให้พ้นทุกในวัฏฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเพราะท่านเนะทั้งสสมาธิทั้งศีลทั้งสมา ธ, ทมา ธ, ทมาธิทั้งปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิกับปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญานี่แหละที่ท่านเน้นหนักมากๆ คือสมาธิท่านก่อท่านบอกว่ามันมีวงจํากัดถึงอัปปนาสมาธิแล้วก็มีเพียงแค่นั้นเรื่องสมาธิแต่ถึงยังไงจะทําให้เป็น จ, จิตใจเป็นสมาธิได้มีเท่านั้นแหละเนีเมื่อเป็นสมาธิแล้วนําจิตที่เป็นสมาธิแล้วผ่านสมาธิมาแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญานี่แ่ละกว้างขวางมากทีนี้นกิเลสมันไปที่ไหนเนี่มันไปยังไงมันเหมือนกับไฟได้เชื้อเลยทีนี่ตามไปเรื่อย ขุดคุยเขียขุดค้คนไปเลยมันไปติดยุดจุดไหนยังไงที่ไหนผลที่สุกคนรู้จักต้นตอของมันตัดกิดเลสภายในจิตในใจของเราได้โดยเด็ดขาดอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านประพฤติปฏิบัติมานะวันนี้ผมขอพูดในการให้ความคิดเห็นก็เห็นว่าพอสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดเพียงเท่านี้